เทคนิคง่ายๆในการทบทวนบทเรียนถ้าหากว่าหลักสูตรของเราที่มันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวหรือสูตรเลขสูตรอะไรต่ออะไรนี่วันนี้เราเรียนวิชานี้มาเวลานั่งสมาธิก็นั่งกำหนดจิตคิดทบทวนวิชาที่เรียนในวันนั้นว่าเราจะจำได้มากน้อยเพียงใด เอาหนังสือเล่มนั้นมาวางไว้ข้างๆเอาดินสอดำวางไว้เราคิดไปคิดไปทบทวนไปมันติดตรงไหนเปิดหนังสือออกมาขีดทำเครื่องหมายเอาไว้พอเลิกปฏิบัติสมาธิมาท่องเอาเฉพาะตรงที่เราคิดไม่ออกอันนี้ไม่เปลืองสมองในการดูหนังสือพวกเราเนี่ยเวลาปกติ ไม่ค่อยทําอะไรเป็นตุเป็นตะเวลาจนจะสอบดูหนังสือเอาจนตาเบียกตาแฉะสมองมันเครียดมันจะไปจําอะไรได้ล่ะลูกต้องทําไปเรื่อยๆสม่ําเสมอหลวงตาเรียนหนังสือพอกลับจากห้องเรียนมาอาบน้ําอาบท่าไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิพวกนักภาวนาทั้งหลาย เขาพิจารณาอานิจจังอสุภกรรมฐานส่วนหลวงตาไปนั่งคิดทบทวนความรู้ที่เรียนมาว่ามันจะจำได้กี่มากน้อยที่นี้เอาหนังสือมาวางไว้ตีขีดเส้นทำเครื่องหมายเอาไว้พอออกจากสมาธิมามาท่องเอาเฉพาะตรงที่เราคิดไม่ออกนี่คือหลักการปฏิบัติสมาธิ